พอมต่อคุณพระรัตนาตรัยโกกาส์พระาจารย์ยูกิเพื่อนสตรีมิตรท่าน <c oughs> จเจริญธรรมสามเณรมาทีระยะธรรมทุกท่านเน้อนั่งสบายสบายเนาะ <c oughs> อ้าวอัตอมาก็เพิ่งจะเดินทางกลับจากอินเดียนะไปประมาณเกือบเดือนห น, นึ่งก็ว่าจะเล่าเรื่องอินเดียนิดนึงเผื่อได้เป็นประโยชน์กับพวกเราเนาะ ก็คือ <c oughs> การไปนี่ก็คือตั้งใจไปในสังเวชนียสถานทั้งสี่คือที่ประสูตรตัดสรุ้ที่ทรงแสดงปฐมบนเทศนาแล้วก็ป ร, รินิพานเนี่ยสี่แห่งเนาะคราวนี้คนไทยเนี่ยบางทีก็บางทีก็เคยฟังมาบอกว่า <c oughs> นะในชีวิตขั้งหนึ่งก็ต้องไปสถานที่ทั้งสี่อะไรเนี่ยเพื่อที่ว่าจะได้มีโอกาสไปกราบนะในสถานที่ที่พระเจ้าได้ทรงอ่านะได้ดําเนินมาแล้วเนาะสี่สี่แห่งเนี่ย <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> คนไทยส่วนใหญ่ก็ตั้งใจไปที่นี่กันก่อนนะ <c oughs> จริงๆอินเดียเนี่ยไม่น่าไปหรอกถ้าไม่มีเกี่ยวกับพุทธศาสนาไม่น่าไปเลยแต่ว่าที่ที่ไปกันเนี่ยเพราะเกี่ยวกับกับพุทธศาสน า, น, ส น, า น, นี่แหละเนาะเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยก็ไปกันอยู่ประจําเนาะใน สังเบญจียสถานทั้งสี่นี่แหละครั้นี้ก็นะ้ก็ไปเริ่มต้นก็ไปที่ลุมพินีก่อนเนาะในอยู่ในในปานนะครั้นี้ก็ไปไปพักวัดของวัดของในปานนะจริงๆก็มีวัดไทยอยู่ครั้นี้ไปก็ไปกับพระอาจารย์โน๊ตกับพระอาจารย์ตุ้มก็มีพระสามองค์นะพระอาจารย์โน๊ดท่านก็จะรู้จักสนิทกับทางวัดทังในปานนี่ก็ไปพักก็สะดวกดีนะเป็นวัด ที่สะดวกดีกว่านะไปพกักวัรไทยก็จะไม่สะดวกเนาะเพราะว่าวัดในปานเนี่ยไม่ค่อยมีใครพักเนาะแล้วก็มีโอกาสไปไ ป, ไปปฏิบัติธรรมไปชมสถานที่ต่างๆเนาะสำหรับที่ที่ลุมพินีนี่ก็เป็นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทร ง, งประสูติเนาะท่าน <c oughs> ก็ถือว่า <c oughs> เป็นเป็นแผ่นดินเกิดจริงๆแล้วในสมัยพุทธกาล ก, ก็อยู่ในชมพูทวีปนั่นแหละก็คืออยู่ในอินเดียทั้งหมด แต่ตอนหลังก็มีการแยกเป็นประเทศประเทศก็กลายเป็นว่ากลายเป็นท่านก็ประสูตรในในปานไปเนาะแต่ในสมัยพุทธกาลก็คือกรุง ก, งกบิลพัฒน์นั่นเองใช่ไหมก็คืออยู่ในชมพูรบีบนะก็ชมพูรบีก็ถือว่าเป็นเดียทั้งหมดเนาะเนะีสถานที่นี้ก็มีมีคนไปกันก็นกค่อนข้างจะเยอะเนาะมี <c oughs> คนไปกันมากหรือ ว, ว่าไปกันมากทีเดียวนะอ่ามากเป็น เราจะเป็นที่สองลองจากพุทธกยาแล้วเราก็มีคนไทยไปสร้างลิตเติลบ d ฎดานะก็คื อ, อตอนที่พระพุทธเจ้าทรงเทือกกำเนิดใหม่ที่ว่าเดินเจดเก้านั่นแหละก็เป็นองค์เล็กๆคือพระพุทธเจ้าองค์เล็กต่อสร้างเป็นองค์ใหญ่ที่เป็นคล้ายๆว่าเป็นที่เพิ่งจะเกิดใหม่นะลิตเติลบุฎดานั่นแหล ะ, ะที่ชี้นิ้วขึ้นมาข้างบนคนไทยก็ไปสร้างไว้เป็นองค์ใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็มีภาษาไทยติดอยู่ด้วย นะบอกว่าเนี่ยคือผู้พุเจ้ามันก็ประกาศเลยว่าตอนนี้ท่านเดินเจ็ดเก้าที่ประตูปเปรมใหม่ว่ามันก็ท่านเป็นผู้ที่เลิศแล้วในโลกนี่แหละมือนก็ครั้งนี้ท่านก็เกิดมาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จะไม่เกิดอีกนะท่านเป็นผู้เลิศในโลกเป็นเป็นพี่ใหญ่ <c oughs> พี่ใหญ่ในโลกแล้ว น, ะ น, นั้นประมาณนี้นะ จ, จะไม่ได้ไปครอบคลามมัน น, มนี้หรอกแต่ก็ประมาณมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยซึ่งก็น่าภูมิใจนะสถานที่อย่างนี้ก็เราก็มีกับไปสร้าง ลิตเติ้ลมุดดาองค์ใหญ่พอควรแล้วก็สวยงามด้วยแล้วคนไทยก็ไปสร้างเมันก็เป็นห้องน้ําใหญ่ๆนะเป็นห้องน้ําใหญ่ๆเป็นสําหรับคนทุกๆไปนั่นแะไปใช้กันได้เนาะแล้วก็กําลังมีการบูรณะต่างๆกันเนาะในนั้นก็เป็นสถานที่ที่เรียกว่าเป็นเป็นของเก่าแล้วนะไปดูก็เหมือนกับเป็นเป็นอาคารกับคือข้างในเนี่ยเป็นของเก่าเป็นเป็น เป็นคล้ายๆอิดมอนแบบถ้าเรารู้จักอินมอนก็คล้ายๆอิดมอนแต่ก้อนใหญ่อยู่อินมอนหนเมืองไทยเนาะก็เป็นลักษณะแบบนั้นแต่ว่ามีลักษณะที่ว่าเมื่อก่อนเป็นเป็นการก่อสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่ว่าเก่าแก่มากอายุก็น่าจะเป็นหลายร้อยหรือเป็นพันปีมาแล้วแหละเนาะแต่ว่าตอนหลังมัมีการบูรณะขึ้นมาสร้างเป็นบีหารครอบของเก่าอยู่นะภายในถือว่าเป็นเป็นที่ที่พระเจ้าได้บัตสูตร แล้วก็มีมีคนเยอะเลยจากประเทศต่างๆก็เข้าไปาเลียงเรียงแถวกันนะเข้าไปกราบในบริเวณนั้นเนาะส่วนบริเวณด้านนอกนี่ก็เป็นเป็นกองอิฐนะกองอิดเป็นกองอิ ด, นะออ ด, ออดมอนอิดแดงนะั่นแหละอยู่ให้เห็นเป็นสถานที่ที่เราว่าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็น <c oughs> ที่อะไรที่สักอย่างหนึ่งที่มีการก่อสร้างเก่าแก่มาแล้วนะอายุก็น่าจะเป็นเป็นพันปีมาแล้วเนาะนะแล้วก็ต่อมาก็ไปที่ คือแต่ละแห่งแล้วก็หยุดไปปฏิธรรมกันอยู่นะไม่บางแห่งก็พักหลายวันบางแห่งก็พักไม่นานอะไรเงี้ยแล้วแต่สถานที่ต่อไปก็เดินทางเข้าอินเดียก็ไปที่กุสินาราซึ่งเป็นสถานที่ที่พระเจ้าทรงปรินิพานเนาะ <c oughs> อันนี้ก็ไปพักวัดไทยกุสินาราอันนี้ก็เป็นสถานที่ที่คนก็ไปไปกันเยอะแต่ว่ารองน้อยกว่าที่ลุมพินีเนาะมีคนไปก็เรื่อยๆทั้งวันเหมือนกัน มือนกับเป็นสถานที่ที่ว่าบางคนบอกว่าอันนี้ได้ยินมาก่อนแล้วถนะ้าไม่ไปครั้งนี้หลับว่าเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนกับเกิดความเศร้าบางคนก็น้ําตาไหลอะไรเงี้ยมีเหมือนกับ ล, ลึกขึ้นมือเจ้าว่าท่านก็จากเราไปแล้วนะรา ล, ลึกถึงพระพุทธองค์ก็เป็นสถานที่ที่เรียกว่าทําให้จิตใจคนเกิดความสังเวชใจสังเวชหมายความว่าเราก็ทํามาสังเวชนะนะที่พระเจ้าได้จากพวกเราไป นะนี้เราก็เคยสวนมนกันนะที่ว่าวาจาขั้นสุดท้ายของพุทเจ้านะท่นทัานิภิกเวอมันดายามิโบ <c oughs> ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราก็เตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเนาะนี่เป็นโอวาท <c oughs> ขั้งสุดท้ายที่ก่อนที่พุทเจ้าจะไปรินิตพาน <c oughs> คราวนี้ตอนที่พระพุทธเจ้าจะประนิพนาั้งแหละตอนนั้นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เหมือนกับท่านก็เหมือนกับว่าตอนนั้นท่านก็อาการก็ก็หนักมากแล้วก็มีปริพาชกคนหนึ่งน ะ, ะชื่อสุพัททะเนี่ยสุภัชสทะปริพาชกเนี่ยต้องการที่จะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า <c oughs> ก็เหมือนกับขอเข้ามาพระนร น, นได้ยิน ก, ก็ไม่ยอมให้เข้ามา ไม่ยอมเข้ามาก็เหมือนกับก็พูดกันอะไรเงี้ยขอก็เฝ้าก็ได้ยินเสียงได้ยินมาถึงพุทเจ้าพุทเจ้าบอกว่ า, อ, านอนนท์ไม่เป็นไรหรอกให้เขาเข้ามาเถอดิดนะเข้ามาก็เขาเข้ามาแล้วก็มาขอถามปัญหาพุทเจ้านะว่าคือสมัยนะั้นจะมีเจ้าลัทธิอยู่อยู่หลายหลายท่านนะัมีประมาณหกหท่านนี่แหละนะเป็นเจ้าลัทธิต่างๆนะที่ว่าถือว่าลัทธิของตัวนี้ถูกต้องอ่านะ อาจจะดีคนอื่นนะเหมือนกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่เจ้ารัติเนี่ยมีมากมายเขาเลยเป็นยุคของนักปราชญ์เจ้าลัตินี่แหละมีการโต้เถียงกันอยู่ประจําว่าของของเราดีกว่าของท่านอะไรเงี้ยก็เลยสงสัยว่าจริงๆแล้วอรัติไหนดีกว่ากันก็มาถามพระเจ้าว่าเนี่ยรัยติเงินตางคอันไหนจะดีกว่ากันพระเจ้าบอกอย่าไปสนใจเลยให้สนใจเรื่องของตัวเองดีกว่าเลยทํา น, นองเนี่ยก็ <c oughs> เลยถามปัญหา อย่างอื่นนั่นนี่ไม่ไมน่าใจกระทำปัญหาอ า, อาจจะอะไรอาจจะประมาณว่าเหมือนกับรอยเท้าในอากาศอะไรเงี้ยหรือว่ า, าความเป็นพระรหันอไรเนี่ว่าเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยพระเจ้าก็เลยส่งสแสดงทําให้ฟังเอพอสแสดงทําให้ฟังแล้วก็ <c oughs> สุภัทธาปริพาช ก, ก็เลยขอบวช <c oughs> ครั้นนี้พระเจ้าก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่า ถ้าเป็นไม่ได้เป็นปริภาชกเนี่ยก็สามารถบวชได้แต่ตอนแต่ว่ามีกฎเกณฑ์อยู่ว่าถ้าเป็นปริภาชกคือเป็นคนนอกศาสน า, าเนี่ยจะต้องอสัก4ี่เดือนก่อนอะไรน้องเนี่ยเราค่อยๆบวชเป็นพระได้นะมันก็ปรับทัศนคติก่อนคร <c oughs> าวนี้ตุัตา ก, ก็บอกว่ายาว่าแต่สี่เดือนเลยสีปีก็จะยอมนะพอพิจารณาได้ยินเช่นนี้ก็บอกว่าให้บวชเลยให้ให้ให้พระนําไปบวชเลย พอไปบวชแล้วก็ท่านก็ตั้งใจบัธรรมนะกคืนนั้นท่านก็ตั้งใจบัธรรมแล้วก็เดินจงกรมในตอนกลางคืนแล้วเหมือนกับว่าอาจจะเห็นบนท้องฟ้ามีมีดวงจันทร์อยู่หลังนั้นก็เหมือนก็มีเมฆมาบังเมฆมาบังแล้วก็ท่านก็พิจารณาเห็นเมฆเนี่ยมันก็คงจะคล้ายๆกับกิเลสที่มาบังดวงจันทร์กับเมื่อจิตใจแล้วเนาะแต่ตอนหลังเมฆก็เคลื่อนไปก็เห็นดวงจันทร์สว่างเก่าท่านก็มามาพิจารณาว่าเนี่ยกิเลสก็เคลื่อนคอยไปแล้ว แล้วก็จิตใจก็เมื่อไม่มีกิเลสแล้วจิตใจก็สว่างสวัยประมาณนี้แหละยังไม่ตรงที่เดียนนะเพราะตรงนี้ก็ลืมไปหมดแล้วนะก็ประมาณเนี้ย <c oughs> ตอนหลังท่านก็เลยเข้าใจธรรมะท่านก็เลยบรรลุปเป็นพระอหรหันต์ในในคืนนั้นเลยนะก็ถือว่าเป็นพระสาวกองค์สุดท้ายที่ที่ได้บวชนะทันพระเจ้านะในถือว่าเป็นองค์ุรท้ายที่ว่าอาได้ทันพระพุทธเจ้าจริงๆนะเป็นองคุดท้ายเลยแล้วก็เห็นถึงว่า พระพระองค์นี่มีเมตตาสูงนะขนาดท่านป่วยขนาดนี้ท่านก็ยังยังให้ยอมเข้ามาถามปัญหาได้เนาะ <c oughs> ก็เป็นปะทานที่ที่มีคือบางคนเข้าไปรู้สึกว่าสลดสลดใจนะเนะพราะเราคือพระพิเจ้าก็นอนนอนอยู่นะเป็นลักษณะการนอนแต่ไม่ไม่ใช่นอนแบบนอนสีหสายญาณ น, นะอนอนแบบพวกเราเลยนอนแบบนอนนอนเลยแล้วก็มือมามาแถวแถวประคองแถวศีรษะของท่านนี่แหละ มือขวาประคองอยู่นะอะท่านดูไปก็ก็เกิดความโสดใจเหมือนกันนะว่าพระเจ้าได้จากเรไปแล้วเนาะ <c oughs> แล้วก็ต่อมาก็ไปออันนี้เด็เดเสริมนิดก็ได้จริงๆแล้วพระเจ้าไม่ได้จากเราไปนะพระเจ้าบอกว่าพิธีพวกเราก็เคยสวดเกินใช่ไหมผู้ใดผู้ใดเห็นทำผู้นั้นชื่อว่าเห็นตถาคตใช่ไหมผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นชื่อว่าเห็นทำไนะ อันนี้ก็คือผู้ใดเห็นธรรมนั่นแหละก็คือเห็นพระพุทธเจ้านั่นเองใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเกาะแม่แต่เกาะชายผู้เหลืองอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเดินตามพระุทธเจ้านะแต่ผู้ใดที่เดินตามธรรมที่พรุทธเจ้าสอนนั่นแหละที่ว่าเดินตามพุทธเจ้าเพราะฉนั้นจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หายไปไหนนะไม่ได้ไม่ได้จากพวกเราไปจริงๆหรอกนะพะถ้าเราไปบัตรธรรมนั่นแหละก็คือเราเห็นพระพุทธเจ้าแล้วนะที่เราเคยสวดกันนะ นะตรงนี้นะัถ้าเราเข้าใจตรงนี้ก็เนี่ยแะพระเจ้าก็อยู่ในใจเรานะถ้าเราตั้งใจวัตธรรมเราก็เห็นพระเจ้านะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเห็นตถาคตเนาะ <c oughs> ต่อไปก็ไปที่อ่าที่แสดงปรมมเทสนานะที่เมืองสารนาฏเนาะอันนี้ก็เป็นอ่าก็จะเป็นสถูปใหญ่สถูปใหญ่มากององค์ใหญ่นะององใหญ่มากเลย ก็จะเป็นสนุปที่สมบูรณ์นะสมบูรณ์เกือบจะร้อซทีเดียวแล้วก็มีคนเข้าไปกันแต่ที่นี่มันแปลกอย่างเก็บเงินนะที่อื่ไม่มีใครเก็บเงินเลยมีที่นี่เก็บเงินนะครั้นี้สําหรับคน อ, อย่างคนคนเขจะมีกลุ่มอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกับคนอินเดียหรือคนแม้แต่ชาวคนไทยนี่แหละหรือจะคนใกล้ๆเคียงกันประเทศที่อยู่ในแนวพูดหรืออะไรทํานองเ ส, เสียแค่ส0 15้รูเปียเอง นะ่าเท่าไหรสิสิบห้ารูปีนะถ้าจําไม่ผิดปนระมาณสิบห้ารูปปีแต่คนต่างประเทศน่าียต้องสองรอยรูปีนะสองร้อยรูปีก็เท่าเงินประมาณร้อยบาทเนาะก็ยั ง, งสงสัยทําไมต้องเก็บเก็บเงินที่ไม่ต้องเก็บเงินที่นี่ก็เก็บเงินแล้วก็คนก็เข้าไปก็เยอะพอควรนะเยอะพอควรแต่ก็น้อยกว่าที่ลุมพินีเป็นสถาน ท, าที่เรียกว่าที่พระเจ้าได้ทรงแสดงทำกับ ปัญญวิีเนาะตรงนี้ก็คือสมัยที่พระพุทธองค์ได้ทรงตัดสรุปใหม่ๆนะก็พิจารณาว่าผู้ใดที่เหมาะจะสําหรับจะรับฟังธรรมะระดับนี้บ้างนะก็พิจารณาดูก็เห็นอาราละดาบดและอุทกาดาบอ้นี่เหมาะสมที่จะฟังเพราะเป็นผู้ที่มีปัญญาระดับหนึ่งแล้วถ้าฟังก็คงบรรลุธรรมได้แต่ตอนมาท่านก็รู้ว่าทั้งสองท่านก็ก็ได้มองหน้าภาพไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้นะก็เลย พินาดูผู้ใดเหมาะที่จะฟังทำอีกก็เห็นปัญญวคชีนนี่แหละเหมาะสมน ะ, ะคือปัญญวคชีนในเมาก่อนสมัยที่ผู้เจ้ายังไม่ตรัสรู้ท่านก็พระพุทธเจ้าตอนนั้นก็อดอาหารนะอดอาหารเนี่ยถึงส่สิบวันสี่สิบวันนะมั้ยตอนปัญญวคชีนก็เห็นโอ้มีความศรัทธามากผู้เจ้าอดอาหารคือปัญจวคชีนในนิยมในการทรมานตัวเองนะหรือว่าอัตตากิริมัทถนุโยกนี่แหละทรมานตัวเองโดยการอดอาหาร พระวิเจ้า อ, อนทานก็ยิ่งศรัทธามากสิบเกาวันศรัทธามากตอนหลังพระวิเจ้าก็เห็นว่ามันไม่ใช่ทางพ้นทุกเนาะเป็นทางที่ทรมานตัวเองไม่พ้นทุกแน่นอนก็เลยท่านก็เลยกลับมาฉัานพระทหารใหม่พ อ, อปัญจวิคียเห็นเช่นนั้นก็เลยคิดว่าพระวิเจ้านี่ละความเพียรแล้วนะกลับไป็นผู้ฉันอาหารเนี่ยถือว่าละความเพียรแล้วก็คงไม่มีการบรรลุเป็นพระพวิเจ้าหรอกก็เลยห น, นีมามาอยู่ที่ป่ า, A 10, ปาอิสิปตนนบุรุษยกทายวันนี้แหละ ครั้ น, นี้พระเจ้าก็เลยพอท่านตรัสรู้แล้วก็มาพินารณาว่าจะมาโปรดปัญญวัคคีก็เดินทางมาเนา ะ, ะเดินทางมาปัญญวัคคีตอนแรกก็ก็ไม่เชี่ยวพระเจ้าเป็นพระเป็นพระไม่อาจที่จะบรรลุธรรมได้แน่นอนนะก็เหมือนกับเห็นมาก็ก็เลยตกลงว่าเนี่ยพอมาแล้วก็ก็เหมือนก็จะอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่ว่าจะเคารพท่านเท่าไหร่นะอ่าอาจจะว่าเอออาจจะแค่ล้างเท้าให้หรืออะไรทํานองนั้นหรือว่าหลังนั้นก็อาจจะไม่สนใจ นะแต่พระพุทเจ้ามาปุ๊บก็ลืมลืมให้ตกลงกันไวก้ก็มารับบาตมาล้างเท้าให้แล้วก็แล้วก็คล้ายๆว่าจัดสถานที่ต่างๆให้อย่างดีนะเหมืับลืมไปน ะ, ะแต่ว่าเรียกพระเจ้าแบบเรียกแบบไม่เคารพน ะ, ะเรียกแบบไม่เคารพพระพเจ้าก็บอกว่าไม่ไม่ได้ตอนนี้ท่านเป็นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะไปว่าขีก็ไม่เชื่อน ะ, อะพระพุทเจ้าบอกอ พระ อ, องค์เคยพูช่ น, นี้มาก่อนไหมนะปะจัจญาขีก็เลยนึกได้พระพรุทธเจ้าไม่เคยพูเช่นนี้มาก่อนเลยว่าท่านมาบรรลุเป็นพระเจ้าแล้วก็เลยยอมรับฟังนะพระพุทธเจ้าก็เลยทรงแสดงแสดงโอวาทปาดิโมกนะโอวาททับไม่ใช่เออธรรมจกกักรกบฏนักสูตรนะธรรมจักรกบฏนักสูตรเนี่ยคื อ, อบทก็เรียกว่าเป็น พระธรรมแรกนะคือธรรมเทพนาบทแรกเลยประทมเทศนาแสดงธรรมธรรมจักเป็นการเคลื่อนธรรมจักรเคลื่อนธรรมจักให้ให้ให้กล้าแบงหน้าเนาะครั้นี้ก็ต้องล้างล้างความเห็นของปัญญวิครีก่อนคือปัญญวิครีมีความเชื่อในการทํามันตนเองก็เลยส่งแสดงหนทางที่สุดลงสองข้างว่ามันไม่มีการบรรลุธรรมหรอกก็คืออันแรกคือ ความสุขคันในการนยิยมคือการทําตัวเองให้มีความสุขความสบายในกิเลสรูปรสกลิ่นเสียต่างๆนี่แหละไหลไปตามกิเลสนี่บอกว่าไม่ไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมแน่นอนอันนี้เป็นทางไปในทางสุขสบายเกินไปเนาะอีกทางเนื้็คือทางสุดโตมาแต่การทรมานตนเองอเช่นอดอาหารหรือว่าทรมาน้วยวิธีการต่างๆอันนี้ก็ไม่ไม่บรรลุธรรมเหมือนกันเพราะต้องอาศัยทางไหลกลางเนาะ าการก็มักมีอย่างปที่เมื่อกี้ก็เราสวดไปแล้วนั่นแหล ะ, ะก็ได้แก่สัมมาทิฏฐิก็คื อ, อความความเห็นชอบน ะ, ะสัมมาสังกัปโตความตำลีชอบอสัมมาวาจานะเจรจาชอบสัมมากรรมโตการทําการงานชอบสัมมาชีโวมีอาชีพชอบสัมมาวายโามมีความเพียรชอบสัมมาสติ มีความระลึกชอบสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นชอบเนาะนี้เป็นทางสายกลางเนาะพลังจากตรงนี้แล้วท่านก็แสดงอริ อ, อริสัตสนะ อ, ะอริสัตสีนี้สําคัญมากคือท่านบอกว่าที่ต่อมาท่านก็บอกว่าที่ท่านต้องเวียนว้ายตายเกิดนนะับพุทธมุชาไม่ทั่วเนี่ยแหละก็เพราะไม่รู้จักอริสัตสีนั่นเองน ะ, ะเพราะฉนั้นอริสัตสีนี่เป็นหนทางเป็นความจริงนะผู้ใดเห็นอริสัตสเข้าใจอริสัตสแล้วผู้นั้นก็สามารถบรรลุ เป็นพระรหันต์ได้เนะาะฤาษีก็ได้แคร์ทุกสมุทยัยในโลดมรักนี่แหละผู้ใดดําเนินตามนี้ก็บรรลุกเป็นาสามารถทียบพ้นจากความทุกข์ได้เป็นภระยเจ้าได้เนะาะพอระดังธรรมจบแล้วถ้าโกนทัญญะก็บรรลุกนะคือให้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวมีความดับไปเป็นธรรมดาเนาะท่าก็บรรลุเป็นพระโสดาบันนะต่อมา อ, อีกสี่องค์ปฏิวัติครีกสี่องค์ค่อยๆบรรลุทำตามลําดับน ะ, ะก็เป็นพระสดาบันทั้งหมดแต่ว่ายังไม่มีใครบรรลุเป็นพระละหันต่อมาท่านก็พระวิ้าอีกไม่นานท่านก็แสดงทำที่สําคัญเป็นอันดับที่สองเลยนะคือคนณะต่ะะางระดับสูตรนี่แหละพอแสดงทำจบแล้วปฏิวัตคีกบรรลุเป็นพระละหันทั้งหมดเลยแล้วก็มีเนื้ อ, อความย่อยๆอยนี่ว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ คือกายและใจเนี่ยเที่ยงหรืไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรเลือกตามคิดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราไม่ควรตามคิดใช่ไหมพระเจ้าข้าเรานั้นก็ทรงอยากแยะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือกายและใจเนี่ยมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาอย่างไรเนาะ พอแดงทำจบแล้วบรรยกคีบรรลุเป็นพระละอันทั้งหมดเลยเนาะอันนี้ถือว่าสําคัญเป็นอันดับสองรองจากธรรมาจักรเลยเนาะอันนี้นท่านแสดงถึงมาไต่ลักให้เห็นนะเนาะเป็นหลักธรรมที่สําคัญมากมนะก็คือแสดงธรรมตรงหนั้นนะที่บริเวณปานะลายเสกพระนรุกไทยวันก็เลยตอนหลังก็เป็นสถานที่แสดงประทุมเทศนาก็มีการสร้างสถูปขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกเนา ะ, นะเป็นสถานที่กว้างนะนะากว้างขวางนะกว้างขวางมากกว่า อีกสองแห่งเนาะแล้วก็แห่งแห่งสุดท้ายที่ไปก็คือพุทธคยาอันนี้ก็เป็นสถานที่ตัสรู้นะนี่เป็นที่สำคัญที่สุดเลยที่เนี่ยมีคนเยอะมากที่สุดนะอันนี้ก็ไปไปพักวัดอเอาเดี๋ยวกันที่กุศิ์ที่แสดง บ, บทคมศาสนาเนี่ยไปไปพักที่วัดจีนนะวัดจีนเนี่ยแต่ปรากฏว่าไม่มีพระจีนท่านะเป็นพระไทย ไปไปกลายเป็นพระไทยเนี่ยไปดูแลแทนแล้วเนาะก็แปลกดีเหมือนกันวัดจีนกับมีพระไทยไปดูแลแทนเนาะแล้วก็พระไทยตอนนี้กาลังฝ่ายไทยกาลังเริ่มสร้างสิ่งก่อสร้างเห็นว่าจะเริ่มดำเนินการสร้างพระธาตุพนมแล้วนะอะไรเงี้ยต่อไปก็ไปไปไปพุทธญาพุทธยาก็ไปพักวัดป่า วัดป่าพุทธกยาเนาะอันนี้ก็ก็เป็นสถานที่ก็อยู่ไม่ไกลนะอยู่ไม่ไม่ไกลมากนะแล้ว ก, ก็สะดวกอยู่เหมือนกันเนาะจริงๆก็มีวัดวัดไทยอยู่หลายแห่งนะบางบางแห่งก็อยู่ใกล้บางแห่งก็อยู่ไกลนะนี่ก็ก็อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นะแล้วก็ไปพักคร น, นี้ไปพักที่เนี่ยตอนตอนเช้าก็ฉันอาหารประมาณ อมมีมีใส่บาทด้วยประมาณแปดโมงเช้าเนี่ยก็มีมีคนใส่บาทพักก็้เดินถือบาทาาานะครก็รับบาทในในในวัดนั่นแหละก็มีมีคนไทยที่ไปพักในวัดก็เยอะเหมือนกันก็มาม า, มาใส่บาทกันหลังพอใส่บาทแล้วใแล้วก็มาขึ้นมาที่บนศาลาเพื่อมาฉัานครั้นี้ก่อนฉันเนี่ยก็มีการแสดงธรรมด้วยอ่ะไปวันแรกก็เจ้าวานทานก็แสดงธรรม แต่ ว, วัดท่านก็สแสดงธรรมอว่าเนี้ยให้เมือนกับคนที่มากแล้วก็ <c oughs> ก็ใ ห, ให้ให้ตั้งใจแบบธรรมเนาะผู้ใดไปพุทธยาก็ให้ตั้งใจแบบธรรม <c oughs> ก็ให้นั่งสมาธิเยอะๆเน <c oughs> ี่ยท่านก็สแสดงธรรมประมาณยี่ยี่สิบวันทีเนาะ <c oughs> แล้วก็แล้วก็ค่อยฉันกันนะผ่าก็ค่อยฉันกันเระว่าท่านท่านอยู่แค่วันเดียวเท่านั้นเองวันต่อมาท่านว่าท่าน มื่อก็ไปทุลาที่อื่นอีกหลายแห่งคราวนี้พอเาพวันต่อมาก็อาตมาก็เลยกลายเป็นพระผู้ใหญ่เลยรออยากเจ้าวาดก็เจ้าวาไม่อยู่ก็เลยกลายเป็นพระผู้ใหญ่พระนั่นก็มโนให้แสดงธรรมก็เลยแสดงธรรมให้ทางนู้นฟังฟังบ้านนะก็แสดงธรรมอยูทุกวันเลยเพราะว่าเจ้าวาดไม่อยู่ก็เลยแสดงธรรมอยูทุกวันก็ได้ประโยชน์อยู่นะไม่เป็นไร คือว่าไม่ส บ, บายมาหลายวันมันก็นอยู่ที่นู่นมันอากาศมันหนาวมันก็ยังไม่หายดีนะแต่มันไอ ย, ยิ่งไวจามอยู่แล้วเนะครั้นี้ก็เลยมีโอกาสดียอ์เจ้าวาดไม่อยู่เราก็เลยได้พูดธรรมะบ้างเพราะว่าจะได้พูดเรื่องแนวทางการเจริยศีลบ้างเนาะ <c oughs> ไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะไม่ไม่เข้าใจในการเจรสิสตยศีลก็เลยได้พูดเรื่องการเจริยศีสตินี่แหละบอกว่าอ่า การไปปฏิธรรมนะัไม่ใช่ว่าเรานั่งหลับตา <c oughs> นั่งสมาธิอย่างเดียวเนาะให้เราสามารถที่จะทำในทุเยบทได้ยืนได้นั่งนอนนี่แหละเพราะจริงๆแล้วผู้ใดที่สามารถปฏิธรรมในการลืมตาได้ผู้นั้นจะเก่งเก่งกว่าหลับตาเนาะเพราะหลับตาเนี่ย <c oughs> เป็นสมาธิก็จริงนะแม้จิตดีขนาดไหนนะจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นขนาดไหนอจิตเป็นหนึ่งขนาดไหนพอออกจากสมาธิแล้วก็หายหมดใช่ไหมหายหมดเลย หลังนั้นก็จะไม่มีสติแล้วล่ะก็กลายเราก็เผลอืใจลอยนะ ค, นคิดนู่นคิดนี่แล้วก็เข้ารบรรยากาศต่างๆเนเี่ยว่าโยชน์น้อยก็เลยให้ก็ลองเจริญสติดูนะอะไรต่างๆได้พูดเรื่องจริญสติทุกเกือบทุกวันเลย เ, ออเขาก็สนใจดีนะเขาก็เริ่มค่อยๆเข้าใจมากขึ้นนะ <c oughs> แล้วก็วเป็นประโยชน์ในการที่ว่าแล้วว่าคือบางคนจะเป็นไปปฏิบัติธรรมกจริงนะแบบนั่งสมาธิเพราะหลังนั้นก็ คุยกันแล้วก็ใจลอยแล้วก็ไม่มีสติอะไรจริงๆเลยนะแม้แต่ไปเดินจงกรมไม่รูเขามีสติหรือเปล่านะเดินช้าๆก็มีอะไรเยเดินช้าๆกันแล้วก็การไปไปเพ่งไปจ้องกันก็บอกนี่เดินเดินไปเลยเดินปกตินี่แหละให้มีสติไปเลยนะเดินธรรมดาเนี่แหละเดินจงกรมก็เดินธรรมดากันเลยนะออันนี้ก็น่าจะมีประโยชน์ในตรงนั้นนะอันนี้ก็ก็เลยเข้าไปในพุทธยาอันนี้อยู่อยู่หลายวันอยู่หลายวันประมาณนะประมาณแปดวันนะ แล้วก็พุทธรยาเนี่ยพอเข้าปุ๊บนี่มันจะต้องผ่านเครื่องเครื่องตรวจนะมันจะมีอผ่านไปแล้วเขาตรวจตรวจระเบิดอะไรทั้งนองเนี่ยมันจะมีเครื่องสแกนเรามีอาวุธไหมมีปืนมีระเบิดไหมถ้าผ่านเครื่องเนี่ยมีต้องมีเสียงดังแน่นอนเพราะว่าก่อนจะไปไม่ไม่กี่วันเนี่ยปรากฏว่ามีคนไปวางระเบิดเอาไว้แต่ว่าเขาจับได้ก่อนตอนนั้นเป็นช่วงที่ ท่านดราดรายลามะเนี่ยจะมาที่อินเดียในบริเวณพุทธิยานนี่แหละเนาะแล้วก็จะมีการตรวจกันมากมายแต่จริงๆก็ตรวจมาตลอดนะเหมือนกับปีสมัยก่อนปีห้าหกหรือไหนก็มันก็มีมีการวางระเบิดทีหนึ่งแล้วเนาะ <c oughs> เพราะนั้นก็จะตรวจอยู่เรื่อยๆเพราะในทัวรนั้นก็จะตรวจตรว จ, ตรวจไปตรวประจำนะตรวจเยอะเลยตรวจอาวุธตรวจอะไรทั้งหลายแล้วนี่แหละ คนก็ไปบัตรกันเยอะมากนะมีคนเยอะมากเลยที่พุทธิยานี่ยเยอะลุกแห่งออืแล้วก็คือในทํามองในสายตาคนภายนอกเนี่ยคือตรงเนี้เราจะรู้สึกว่าคนอินเดียเนี่ยมันก็เข้าใกล้เกลืก่อนดาอ่างจริงๆเลยนะใกล้เกื่อนกินด่าง <c oughs> เ, พาะะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเขามีมีมีของดีอยู่คือมีพุทธศานาเนี่ยแต่เขากลับไม่สนใจเขาเขาไม่สนใจนะเอเป็นเรื่องที่แปลกมากว่าเขาไม่สนใจ แต่ว่าเราเราก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะรู้ประวัติต่างๆแล้วคือในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระเจ้าเนี่ยเป็นคือเขามีการยึดมั่นถือมั่นกันมากในเรื่องศาสนาของเขาอยู่เดิมนี่ยมีการยึดมั่นในเรื่องวัญณนะเรื่องต่างๆเยอะแยะเลยเรื่องพิธีกรรมเรื่องจารีบประเพณีเรื่องอะไรเยอะแยะมีการยึด ม, มั่นเยอะแยะเลยมีความยึดมั่นแต่เขาไม่รู้แต่เรามองในสายตาภายนอกเนี่ยมาทุกวันนี้ก็รู้ว่าเขายึดมั่นถือมั่นเยอะมากมาย <C oughs> แต่พระเจ้าเนี่ยท่านท่านเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านก็มีปัญญาในการรู้ว่าเอออะไรอะไรคือทางคนทุกข์อะไรคือการติดในความทุกข์อะไรคือการที่เรียกว่าเป็นความยึดมั่นถือมัน่นพระเจ้าก็ได้บอกว่าความเป็นพรามณ์นี่แหละความเป็นพรามณ์นี่ไม่ได้เกิดจากไม่ได้เกิดจากชาติกาเนิดแต่เกิดจากการประพฤติธรรมต่างหานะการประพฤตินี่แหละเป็นความเป็นเป็นพรามณ์ไม่ได้เกิดจากไม่ได้เกิดจากชาติกำเนิด <c oughs> เพราะว่าเขาจะมีมีมีอยู่สี่วันน้นะมีกษัตริย์มีพราหมีแพทย์มีสูตรแล้วก็วรรณ้นนสุดท้ายที่เรียกว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นไม่ใช่เป็นวรรณะาหรอกแต่เป็นการดูถูกคือจันทานนั่นเองคือถ้าแต่งงานข้าวรรณ น, นก็กลายเป็นจันทานเนาะอันนี้เป็ น, ป น, ปนการยึดมั่นถือมันกันมายาวนานมากเลย <c oughs> แล้วก็ทําให้เกิดประเพณีต่างๆเยอะแยะห้ามห้ามห้ามจันทานาห้ามห้ามสูตรเนี่ยฟังธรรม เกี่ยวกับทรามของเขานั่นแหละที่ว่าเป็นของของพรามก็ไม่ฟังนะคือมีประเภณนี้ต่างๆเยอะแยะเลยซึ่งยึดติดมาตลอดมแต่ว่ามันไม่ทางบนทุกหะไม่ไม่ทางบนทุกแ น, น่นอนแต่พระเจ้าตารัสลูกบอกว่าตรงนี้เป็นทางถูกต้องตรงนี้ต้องไม่ยึดมั่นถึงมั่นตรงนี้ต้องไม่มีวรนนะเนี่ย <c oughs> คือจริงๆแล้วก็รุ่งโลดในสมัยพุทกาลเท่านั้นเองเพราะหลังจากพระเจ้าท่านประสิทิพานไปไม่นานก็กลับไปย่างเก่าอีกนะกลับไป ดิ้มั่นถือมั่นในวันหน้าต่า ง, า ง, างๆแล้วประเพณนี้ต่างๆตามมาเยอะแยะเลยคือถ้ามีกษัตริย์ช่วงไหนที่เป็นเป็นกษัตริย์ที่เป็นพุทธก็พุทธศาสนาก็จะเจริญแต่เมื่อใดที่กลายเป็นกษัตริย์นี่เป็นหินดูปั๊บเนี่ยพุทธศาสนาก็เป็นบา ท, ทีก็โดนทําลายโดนแกล้งโดนเหมือนกับโดนพระโดนฆ่าก็มีนะโดนฮินดูฆ่าก็มีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเป็นความที่เรียกว่าเป็นหน้าเตยได้แทนชายวียนเดียนใกล้ใกล้เกือกินด่าง คือมีของดีๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวมีของดีเพราะฉะนั้นก็เลยเมื่อไม่ไม่ไม่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีไม่ไม่ไม่มีสัต์ทุกวันเนี่ยเหมือนกับสมัยที่ผ่านมาเนี่ยพุทธศาสนาหายไปอินเดียหาย้อยเปอ็นต์ะไม่มีไม่มีพระไม่มีอะไรเลยหายไปอินเดียเลยทั้งได้เป็นเป็นเมืองเป็นเมืองที่กําเนิดแท้ๆเนาะแต่กลับไปอยู่ที่ประเทศอื่นแทนแล้วก็เพิ่งจะเริ่มมีมีพุทธนาึ้นมาเมื่อไม่นานมานี่เองอาจจะช่วงแค่ร้อปีหลังนี่แหละ ก็มีมีไม่เยอะเท่าไหร่นอนติงว่าหน้าเสดดาให้นะเพราะว่าตรงนี้เขาออกจะความยึดมั่นต่างๆไม่ได้เลยนะมีความยึดมั่นถือมั่นเยอะแยะแล้วก็ติดในจารีประเภณนี้ต่างๆซึ่งตรงนี้เขาก็ไม่รู้เขาติดแต่เราทํามองในสายตาภายนอกจะรู้ว่าตรงนี้เขายึดมั่นถือมั่นเยอะ <c oughs> เขาไม่ไม่ปล่อยไม่วางเรื่องเล็กๆก็ไม่ปล่อยไม่วางนะเขายึดยึดต่างๆเยอะแยะอันนี้ติงมาเออเนี่ยมันมีของดีแต่ว่าไม่รู้ว่าอะไรมันดีเนาะ <c oughs> แล้วก็ที่พระเยอะที่สุดก็คือพระที่เบสเนี่แหละคือพระที่เบสในสมัยคือจีนไปยึดไปยึดที่เบสเนี่ยเพราะนั้นพระที่เบสหรือชาวที่เบสก็ยังหนีมาอยู่อินเดียกันนะมาอยู่ในปานอยู่อินเดียแล้วก็อินเดีย น, นั่นก็ ม, มีมีทางภาคเหนือนี่จะเป็นเหมือนกับเป็นเป็นเมืองเป็นเมืองเมืองหนึ่งอ่ะของทีเบสเลยนะมีเมืองเมืองหนึ่งที่ไดร์ลาลมาอยู่แต่ส่วนนึงก็จะมาอยู่ที่พุทธยาเนี่ยเยอะมากพุทธยานี่ถือว่าเยอะ ลองน่าจะลองจากภาคเหนือของอินเดียเนาะเดี๋ยวมีคือเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าพระปฏิเบษวันๆนึงท่านก็กราบนะก็เรียกกาบอ่ากากเป็นคือก็เรื่ออัดอัดอัดอัดอัดาจางเขประดิษฐ์เนี่ยคือจะมีหน้าผากแล้วก็แขนสองข้างแล้วก็อ่าหัวเข่าแล้วก็เท้าเนี่ยก็ก็โดนพื้นคือแปดแปดส่วนในร่างกายนต้องต้องเป็นการกราบที่ดนพื้นเหมือนหน้าผากก็โดนพื้นนะว่าวันนั้นเราได้เห็น พระที่เบส์เน่ยหรือไม่พระที่เบอย่างเดียวมีมีแ ม, ม้แต่ค <c oughs> าวาสคนที่เบส์นะหรือแม้แต่เด็กก็ยังทําอย่างนั้นกราบกับกราบกับกราบกันโอ้เกือบทั้งวันเลยนะท่านก็เลยแข็งแรงมากแข็งแรงมากเนาะแล้วก็พระที่เบเนี่ยก็จะมีะมีมีการสวดมนต์เยอะมากมันก็มีดนตรีประกอบด้วยนะมีด น, ดนตรีแล้วก็มีอะไรถ้าตัวอย่างบางที่เป็นการสวดมนต์นะแล้วบางทีก็มีแจกทานด้วยบางทีก็มี มีมีพระอินเดียนะไปไปรอไปเหมือนกับไปนั่งเข้าแถวอยู่ในแยกออกมาจากกลุ่มของพัติเบตไต่อยู่ในบริเวณเดียวกันนั่นแหละพอพอเสร็จแล้วเมื่อเสร็พิธีก็จะมาแจกเงินกับพระอินเดียอยู่เหมือนกันนะถือว่าพัติเบนนี่ก็มีมีเงินเยอะอยู่นะมีมีเงินเยอะแล้วก็มันก็เป็นเป็นพระส่วนใหญ่ในนั้นเนะคราวนี้ก็มีมีพระไทยอยู่พอสมควรนะก็มีไปกันเรื่อยๆนั่นแหละพระไทยนี่เดี๋ยวนี้ก็เยอะเนาะแล้วก็ คือตรงนี้ก็ <c oughs> ตรงนี้ ก, <c oughs> ก็ก็คือความยึดมั่นถือมั่นอย่างหนึ่งเหมือนกันท่านมองในสายตาคนภายนอกนะไปเห็นเนแม้แต่พัติเบตท่านก็ยึดมั่นถือมั่นนะก็คือท่านก็ปฏิบัตรทำในแนวของท่านนั่นแหละนะแต่มันไม่รู้เป็นหนทางพ้นทุกข์หรือเปล่าใช่ไหมในการสวดมนต์อะไรเยอะแยะเลยแล้วก็กราบอะไรเงี้ยนะถ้าเจริญสติก็น่าจะก็นาก่นาจะดีแต่ว่าไม่รู้ท่านเจริญสติหรือเปล่านะมั้งถ้าทําตรงนั้นมันก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะพ้นทุกข์เนะ่ยเพราะมันมันยังเป็นการ ยึดติดจินมั่นถือมัน่นแล้วก็ยังมีตัวมีตนอยู่เยอะเนาะมันก็จะเป็นหนทางที่เรียกว่ามันมันน่าจะไม่พ้นทุกเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยว่าจริงๆแล้วนะชาวพุทธนี่แหละคือในเมืองไทยเนี่ยโชคดีมากนะคือเมืองไทยเนี่ยเราเราหลุดในตรงนี้มาแล้วนะหลุดนี่ว่าประเพณนนีหรือว่ า, าความยึดติดใช่ไหมหรือว่าในพฤติกรรมต่างๆนี่พวกเราออกมากันเยอะแล้วนะเราไม่ได้ไปติดในตรงนั้นหรอกใช่ไหม แต่เรารู้ว่าตรงไหนที่มันมันเป็นหนทางในการพ้นทุกข์ใช่ไหมหนทางการม้ทุกข์เนี่ยมันเป็นทางสําคัญกว่าพระเจ้าไม่ได้ท่านก็ไม่ได้บอกว่าให้เราติดในแบบไหนต่างใช่ไหมแม้แต่การกราบาวิธีที่เบียดท่านก็ไม่เคยพูดถึงเลยว่าเราต้องแบบนี้นะต้องทําบบนี้แบบนี้นะอะไรทั้งหลายหลาแม้แต่ทำบัดเนี่ยท่านก็ไม่บอกต้องทําวัดนะอะไรไม่ได้บอกว่าต้องทําบัดแต่จริงๆเราทําบัดนี่ก็ดีแล้วแต่หมายว่าท่านไม่ได้บอกว่าให้เราต้องติดในวิธีการต่างๆแบบนู้นแบบนี้ แต่เป็นการปฏริบัติทางใจเองเรานี่แหละว่าเราเรารู้ไหมว่าตอนที่เรายึดมั่นอะไรอยู่นะั่เราติดอะไรอยู่เรารู้เราเท่าทันกิเลสไหมใช่ไหมอันนี้สําคัญมากที่เราสวดเน่ยมา ก, ม, า ก, ม, ากมีองค์แปดเนี่ยต้องมีสตินะสัมมาสติเนี่ยสําคัญมากเพราะฉะนั้นว่าเมื่อเมื่อดูเมื่อดูดูโ ด, ดยภาพรวมแล้วทั้งหมดเลยนะอินเดียนะไปนานพอสมควรก็ดูภาพรวมแล้วว่าคนไทยในโชคดีที่สุดแล้วคนไทยเนี่ยโชคดีที่สุดเลยนะ ของเราที่เป็นการแบบเพื่อการพ้นทุกข์ที่แท้จริงนะมันไม่ได้ไปว่าต้องไปติดในพิธีกรรมอะไรต่างๆมากมายอั น, นันเป็นหนทางนัื่นช้ามันเลยแล้วมันก็ไม่พ้นทุกข์ไปอย่างมากก็สูงสุด ก, ก็ไปสวรรค์ใช่ไหมไปสวรรค์หรือเขาจะปั่นนาเป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้นะมันก็เลยเป็นแบบนั้นไปใช่ไหมแต่ว่าการเป็นพระโพธิสัตว์ก็มันก็ต้องเป็นหนทางที่เรียกว่าต้องแบบเพื่อเพื่อการช่วยเหลือคนอื่นนะช่วยเหลือคนอื่นให้มากๆใช่ไหมมันก็มันก็ไม่พ้นทุกข์อยู่ดีก็ต้องเป็นเวลานานใช่ไหม ครนี้ปฎิยาณของผลิตภัณฑ์ของพระโพลิศัยก็คือต้องทําเพื่อคนอื่นอย่างเดียวนะไม่ต้องหวังเพื่อประโยชน์ส่วนตัวนี่แหละไม่ทําเพื่อเราเราดีหรือว่าเรามีชื่อเสียงหรือว่าต้องได้อะไรสักอย่างคือทํำล้วนๆเลยเพื่อช่วยคนหรือล้วนๆเลยใช่ไหมเนีตรงนี้เขาจะทำได้จริงๆไหมใช่ไหมถ้าไม่มีถ้ามีตัวตนอยู่ทําเพื่อชื่อเสียงหรือทําเพื่อลาภสักุลลามันก็ไม่ใช่เป็นพระโพลิศัยอยูดีใช่ไหมมันก็กลายว่าเป็นแค่คําพูดไปนะเพราะว่าตรงนี้มันมันเป็นหนทางที่เนินช้า <c oughs> แต่ระพุไรที่เข้ามาในาพุทธศาสนาในสายสายสายสายพวกเราเนี่แหละคือสายปฏิปธรรมนี่แหละถ้าเราไปบัตรทางตรงแล้วนะชี่ว่าเราดําเนินที่พุทธเจ้าได้ทรงสอนจริงๆนะมันในเป็นหนทางที่เรียกว่าประเสริฐจริงๆอย่างที่เราได้สวดไปแล้วนะมรรคเมียง8ปนี่แหละเนาะก็มรรคเมียงแปดเมือนที่ก็อบอกแล้วแต่จริงๆสรุปให้สั้นก็คือมีศีลใช่ไหมมีสติมีสมาธิมีปัญญาใช่ไหมแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือสตินั่นแหละ ถ้าไม่มีสติก็ไม่มีสมาธิไม่มีปัญญานะถ้ามีสติมันรู้ทันหมดเลยนะรู้เท่าทันกินเลสในใจเราเนี่ยสำคัญมากใช่ไหมที่เราต้องมีความทุกข์ต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะอะไรใช่ไหมก็เพราเรามีกิเลสอยู่ใช่เหมมันก็ต้นไม้สูงสามสิบเมตรนี่แหละเกิดจากอะไรก็จะเมล็ดพันธุ์เล็กนิดเดียวนะเมล็ดเล็กนิดเดียวแต่มันมีเชื้ออยู่มันมีเชื้ออยู่เมื่อมันตกไปในดินที่อุดมสมบูรณ์ปั๊บเนี่ยมันก็โตมาเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ฉั้นได้ฉันได้ <c oughs> ใจของเราเนี่ยใจเราที่มีเชื้ออยู่มันมีเชื้อกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เนี่ยมันยังมีเชื้ออยู่มันก็ต้องเว้นไบไตเกิดอยู่ฉันนั้นนับภพนับชาติไม่ท่วนฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมเพราะมันก็ต้องกลับมารู้ใจเราว่าเราเป็นยังไงเนาะตอนนี้เรารู้ไหมรู้ใจเราไหมใช่ไหมเรามีกิเลสต่รู้ไหมมีความโลภรู้ไหมความโกรธรู้ไหมความหลงรู้ไหมเนี่ยมันตรงเนี่ยสำคัญต้องรู้ทันเพราะนักตติคือกลับมารู้นั่นเองนะ รู้ในตัวเราเนี่ยเราไมัน้องไปรู้ที่อื่นนะไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นเนาะกลับมารู้ใจแล้วเนี่แหละตอนนี้มีอะไรเกิดในใจรู้ทันรู้ทันแต่มันจะรู้ใจเนี่ยมันก็ยากใช่ไหมให้อยู่ได้ไปรู้ใจมันจะรู้ได้ไงมันไปเพ่งจ้องใจนะะไปเพ่งจ้องใจมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมานะคอยรู้ใจก็ไม่มีความคิดคอยดูใจก็ไม่มีไม่มีความโกรธความรบกวนเราไปเพ่งใจไม่เพ่งไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องตามรู้ตามรู้ตามรู้กายใช่ไหมตามรู้กายนี่แหละยืนเดินนั่งนอนใช่ไหม คู่แขนเหย็ดแขนอเดี๋ยวซ้ายแรขวาเด้งหน้าถอยหลังคู่แขนเยียบแขนลงจีทรงจีวรสังฆติดื่มลิ้มกินเคี้ยวพุจาระปัสสาวะก็ให้รู้สึกตัวนะตรงนี้ก็คือให้รู้ในรู้ในนอกรูปแบบและในรูปแบบด้วยผู้ใดไม่อาจจะไปทํานอกรูปแบบได้ก็คือยืนด้านน้เดื่มกินนุบพุิ์เนี่ยผู้นั้นโอกาสไปทำเนี่ยบรรลุทํามเนี่ยยากมากนะครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้นะอในรูปแบบเมื่อเรารู้แล้วนอกรูปแบบก็ต้องรู้ทันด้วยใช่ไหม มัน่จะเห็นเราก็ไม่มีการบรรลุธรรมหรอกใช่ไหมเพราะอกุฏในนอกรูปแบบเนี่ยมันมีเยอะมากใช่ถ้าเราสามารู้ได้ตลอดเวลานะมันง่ายนะไม่ไม่ยากหรอกนะกลับมารู้กายรู้ใจนั่นแหละเนี่ยพอเรารู้รู้ดทันปุ๊บเนี่ยกินอะในใจเราก็ลดไปเรื่อยๆใช่ถ้าเรารู้ไม่ทันมันก็สั่งสมนะกินละไในใจเรามันโตขึ้นมาเรื่อยๆนะบางคนไม่ไปฏิบัติธรรมนี่แหละจะโกรธเก่งใช่โกรธเก่งระู้ไม่ทันกินอะไรก็เลยโตเรื่อยๆนะ แต่ว่ารู้ทันปุ๊บกินอะไรในใจจะลดไปเองนะความโกรธเนี่ยรู้ปั๊บมันจะลดลงไปลดลงไปมันจะลดแน่นอนนะมันไม่เพิ่มก็หรอกให้เรารู้ทันนั่นเองนะแช่เรารู้ทันเนี่ยนี่แหละคือสติสติการระลึกรู้ระลึกได้นะเรารู้อะไรเราลึกว่ามีความโกรธแล้วมีความคิดแล้วมีความรักความชังมีความเกลียดความไม่ใช้เลึกสัญญความน้อยใจความเดือดใจความอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยเมื่อเรารู้ทันมันจะลดไปทันทีนะถ้าไม่รู้ทันมันอยู่ในใจเรานานเนี่ยมันก็สั่งสมในใจเรานี่แหละ นะเพราะเมื่อเรารู้ไปเรื่อยๆ น, นะมักนก็ลดไปลดไปลดไปสักวันนึ่งก็หมดไปนี่แหละเนาะนี่แหละเมื่อมันหมดไปแล้วก็มดก็หมดเชื้อไหมหมดเชื้อเนี่ยก็ไม่ได้อไปเบียนวายใจเกิดแล้วเนาะเพราะนั้นพวกเราก็ให้ภูมิใจนะอยู่ไหนก็ไม่ดีทั้งเมืองไทยนี่แหละดีสุดแล้วนะแล้วเราไปบัตรทําให้ถูกต้องเนี่ยเราโอกาสอยู่ที่วัดเนี่ยก็ชื่อว่าเราโชคดีแล้วนะ <c oughs> ที่เราเราอยู่ในพุทธศาส น, นาที่ถูกต้องแล้วก็ได้ไปบัตรธรรมที่ถูกต้องอันเนี้ยช่อว่าโชคดีสุดในโลกแล้วนะพราะในไทยสุดนี่ก็ขอรัศรนาบารมีคุณพระไตรน้อมนาท่า